คาถาที่ยี่สิบเกอกคิตะจักขุเนี่ยนะได้ยินว่าในพระนครพาราณสีพระราชาพระนามว่าจักขุโลละพรหมทัตจักขุก็ตานะโลละก็โลเลอพระเจ้าพรหมทัตตาโลเลอนะเพราะอะไรเพราะพระองค์้ทรงโปรดการดูนักฟอนเหมือนพระเจ้าปาทะโลละพรหมทัตอันนี้โลเลเท้าอนะ่ะแต่นี้ต่างกันด้วอันนี้โลเลทางตา โลเลเ ท, ท้าก็คือเที่ยวไปเรื่อยถ้าโลเลตาก็ดูไม่เบื่อพระเจ้าปาท ะ, ะปาทะโลละพรหมทัตน์นั้นไม่พอพระราชชาหฤทัยเสด็จเข้าไปในที่นั้นๆอันนี้ น, นี่ความต่างนะส่วนพระเจ้าจักขูโลละพรหมทัศน์นี้ทรงเห็นนักฟ้อนนั้นนั้นแล้วก็ทรงเพลิดเพลินยิ่งนักอุ้ยใครรําก็สวยไปหมดเสด็จเที่ยวทําตัณหาให้เจริญมีความสุขกับการดูวงเปลี่ยนวงไปเรื่อยๆนี่ยดูมีความสุขมาก ด้วยการทอดพระเนตรดูนักฟ้อนที่เยื้องไกลนี้ได้ยินว่าพระองค์นี้เห็นภริยาของกุดมพีคนหนึ่งที่มาดูนักฟ้อนอะเอาจะเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ได้ชอบพวกนางฟ้อนเท่าไรชอบมาดูชอบคนที่มาดูนักฟ้อนอีกทีหนึ่งก็เลยราคาให้เกิดไปชอบเมียชาวบ้านเขาอ่านะพอนึกรักเมียชาวบ้านเขาเท่านั้นแหละสลดใจทันทีเลยสังเวชใจว่าโอ้เราเนี่ยเนาะ ยังตันหานี้ให้เจริญอยู่จากเต็มด้วยอบายแน่นอนนะงั้นถ้าหาว่ายังถืนปล่อยให้ใจเพลิดเพลินเนี่ยนะตอนแรกก็เพลดิดเพลินพวกนางฟ้อนอยู่ดีๆนี่มาเพลินเมียชาวบ้านาเขาอีกแล้วเนี่ยนรกแน่นอนอ่ะนี่จะไปไหนแบบนั้นถ้าปล่อยให้ใจเจริญให้ใจที่เป็นตันหาแบบนี้เจริญ ม, มากขึ้นมากขึ้นฉนุดไปสู่อบายทุคติวินิบาศแน่ก็เลยเอาเถอะเราจะคมราคะนั้นเห็นโทษเลยนะออกบวช กระวัสลัดออกอย่างแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรนะบุญบารมีที่สังสมมาเนี่ยตันหาเกิดมากๆเข้าเห็นว่านี่คือประตูบายสังเวกะวัตุก็แรงกล้าก็น้อมไปเพื่อนเนข่ขมมะเจริญวิปัสนาทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณเมื่อจะทรงติเตียนความประพฤตในครั้งก่อนของพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานคาถานี้เพื่อจะแสดงคุณอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการประพฤตินั้นว่า บุคคลผู้มีจักษุทอดลงแล้วไม่ขนองเท้ามีอินทรีย์อันคุ้มครองแล้วมีใจอันรักษาแล้วผู้อันกิเลสไม่รั่วรดแล้วและไฟคือกิเลสไม่แผดเผาอยู่เพ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกฉะนั้นที่จริงเนี่ยเบื้องหลังจริงๆรงเนี่ยตำหนิพฤติกรรมของตัวเองในอดีตตลอดแล้วก็มากล่าวในสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะว่าในอดีตประพฤติแต่ธทำดำําตอนหลังก็มาประพฤติ ท, ทำขาวก็กล่าวคุณของทำขาว ถ้ากล่าวคุณของทำขาวเท่าใดก็แปลว่าตาหนิทำดำเท่านั้นเช่นว่าถ้าสรรเสริญคนดีเท่าใดก็แปลว่าตาหนิคนเลวเท่านั้นถ้าสรรเสริญบัณฑิตเท่าใดก็แสดงว่าตาหนิคนพาลเท่านั้ น, น, น, น, น, นฉันใดเมื่อกล่าวถึงการไม่สำรวมอินทรีย์ติเตียนควาถ้าชื่นชมการประพฤติปฏิบัติที่ถูกที่ถูกต้องก็แสดงว่าตาหนิข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดเนี่ยนะ คำว่าอกคิตจาจักขูก็คือมีตาทอดลงอธิบายว่าเป็นผู้วางที่ต่อทั้งเจ็ดตามลำดับแล้วเพ่งดูชั่วแอกเพื่องดเวนและดูสิ่งที่ควรละไม่ใช่เอาแต่กระดูกคางมาทับกับกระดูกอกเพราะมีจกักษุทอดลงอย่างนี้ไม่สมควรแก่สมณะคือไม่ใช่ว่าแม้พับคอเอาคางนี่มาแตะแต่คอไว้แล้วก็ดูแต่ฝ่าเท้าดูอะไรนะดูแต่นิ้วเท้าตัวเองแล้วก็เดินไป ถ้าอย่างนี้ไม่สมควรแก่สมณะแต่ว่า ก, ก็วางไว้ตามเดิมน่นแหละวางคอไว้แ้วก็ตานี้ทอดลงอันนั้นมีตาทอดลงไม่ใช่ว่าพับคางเอามาชนอกไว้เฉยๆไม่ใช่อันนั้นไม่เหมาะสมสำหรับสมณะบทว่านะจะปาดโลโลความว่าไม่เดินสายไปดุดลากเท้าจ้ำไปเพราะรีบจะเข้าไปในถ้ำกลางหมู่อย่างนี้ว่าที่สองสำหรับคนหนึ่ง คือหมายเขาว่าคนเดียวก็ไปหาเพื่อนสองคนดีกว่าได้2คนเลยไปหาพวก3เที่ยวไปอย่างเนี้ยไปนานแล้วก็ไปแล้วก็ไม่ค่อยกลับหาพวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะอย่าไปโลเลเท้าหาพวกอย่างนั้นบทว่าคุตตินดรดโยได้แก่มีอินทรีย์คุ้มครองแล้วอินทรีย์ในทวาร6น น, นไม่ปล่อยให้ราคา่าไหลซึมซาบเข้ามาไม่ให้โทสะไหลซึมซาบเข้ามาก็เรียกว่าปิดกัน้นเนี่ยนะปิดกั้นไม่ให้บาปอกุโสลธรรมซึมซาบมาตามทวาร6 บทว่ารักขิตะมานะสาโนความว่ามานัสนั่นเองชื่อว่ามานะสะมานัตคือใจนะอันบุคคลรักษาแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าราักขิตะมานะสาโนแปลว่ามีใจอันตนรักษาแล้วคําว่ามีจิตอันตนรักษาก็คือรักษาโดยที่จิตนั้นไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลสทั้งหลายก็คือไม่แปดเปื้อนด้วยความเศร้าหมองทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความเศร้าหมองที่เกิดจากราคะเป็นตน้นไม่ปล่อยให้จิตใจนั้นเศร้หาหมอง บทว่าอนณวัตโตความว่าเป็นผู้เว้นจากการรั่วรถของกิเลสในอารมณ์นั้นนั้นก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อยกิเลสปล่อยบาปอากุศลเรี่ยราดทั่วไปหมดก็ไม่ใช่บทว่าอัปะริไดหมาโนความว่าเพราะเว้นจากความรั่วรถอย่างนี้เองอันไฟคือกิเลสทั้งหลายไม่แผดเผาอยู่อันไฟคือกิเลสทั้งหลายไม่รั่วรถแล้วในภายนอกไม่แผดเผาอยู่ในภายใน อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่พระประเจกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งปรารบถึงสมัยที่ไม่สํารวมอินทรีย์เนี่ยนะไม่สํารวมอินทรีย์แล้วก็มาประพฤติตรงกันข้ามที่เป็นข้อปฏิบัติอ่าปราลบอินทรีย์สังวรเนี่ยนะกล่าวถึงอินทรีย์สังวรเป็นประธานนะเมื่ออินทรีย์สังวรบาปอากุศลไม่รั่วรถเนี่ยนะอินทรีย์สังวรก็เป็นสมถะเนี่ยนะเป็นอธิศีนอธิศีนก็เป็นบาปของสมถะสมถะก็เป็นบาปแห่งวิปัสนา ท่านก็พิจารณาอริยสัจตรัสรู้เป็นพระประเจกผู้เทเจ้าในนิเทศภาษาริบุตรนิเทศไว้ว่าภิกษุเป็นผู้ไม่สำรวมจักสุอย่างไรคืออย่างไรชื่อว่าไม่สำรวมตาเนี่ยนะบอกว่าพิสุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เลวไหลเพราะจักสุแค่ว่ามีตาเหล้วไหลเนี่ยนะพฤติกรรมเล้วไหลในคนไทยได้ยินได้รู้จักแต่ว่าเอ๊มีตาเหล้วไหลนี่เป็นยังไง ท่านบอกว่าประกอบด้วยความเป็นผู้เล้ยวไหลเพราะจักสุด้วยคิดว่าเรานี่จะดูรูปที่ไม่เคยดูจะพานเลยไปรูปที่เคยดูแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เคยดูแล้วไม่ต้องดูต้องหาดูสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยเเขามีในหลังลทัทธิพราหม์บางกลุ่มสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าตาทั้งหลายเนี่ยควรเจริญคำว่าเจริญตาคือทำอยังไง ก็รูปไหนที่เคยดูแล้วก็ไม่ต้องดูอีกไปหาดูรูปใหม่ๆที่ยังใจให้เจริญการปฏิบัติอย่างนี้จะทำให้ประสบแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวของมันถ้ามีหลักการแบบนั้นซึ่งเพราะในพระพุทธศาสนาเราไม่ได้เชื่นชมลักษณะนั้นเนี่ย น, นะเพราะกล่าวตำหนิพระพิสุที่ใช้คำว่าผู้เล้วไหลด้วยจักสุเนี่ยนะ พระพิษุกลุ่มที่คิดว่าเราจะดูรูปที่ไม่เคยดูจะผ่านเลยรูปที่ดูแล้วออกจากอารามนี้ไปยังอารามโน้นอยู่วัดนี้เอสิ่งที่น่าดูก็หมดแล้วไปดูวัดใหม่ดีกว่าจากส่วนนี้ไปสู่ส่วนโน้นจากบ้านนี้ไปสู่บ้านโน้นจากนิคมนี้ไปสู่นิคมโน้นจากนาคร น, นี้ไปสู่นครโน้น ون, จากรัฐนี้ไปสู่รัฐโน้นจากชนบทนี้ไปสู่ชนบทโน้นเป็นผู้ขวนขวายเที่ยวไปนาน เที่ยวไปไม่หยุดเพื่อจะดูรูปนี่เรียกว่าผู้ไม่สํารวมจักสุเนี่ยนะเรียกว่าเอาสายตาเนี่ยนะศาสตร์ส่องไปทั่วทั่วแผ่นดินไปหมดเลยไม่รู้ดูให้มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะเอาดูเพื่อทำไมก็อบอกดูเพื่อสร้างตาสิจะได้ต่อตาให้มันยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้อีกอย่างหนึง่งภิกษุเข้าไปสู่ละแวกด้านละแวกบ้านเดินไปตามถนนไม่สํารวม เดินดูกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพเดินเท้าดูกุมารกุมารีดูเด็กหญิงเด็กชายดูสตรีบุรุษดูร้านตลาดดูประตูบ้านดูบนดูล่างดูทิศน้อยทิศใหญ่เดินไปนี่ก็เรียกว่าไม่สำรวมจักสุหรืออีกอย่างหนึ่งภิกษุเห็นรูปด้วยจักสุแล้วก็ถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะไม่ปฏิบัติเพื่อสารวมจกักขุนศี เพราะจากขุนสีที่เมื่อไม่สํมรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุสรธรรมอลามกหรืออกุสุรธรรมที่เป็นบาปคืออภิชาและโทมนัดครอบงำได้ไม่รักษาจากขุนสีไม่ถึงความสํมรวมในจากขุนสีพิสูจน์นี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่สํมรวมจากสุอีกอย่างหนึ่งเหมือนท่านสมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว เป็นผู้ขวนขวายในการดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้ไปดูอะไรบ้างดูการฟ้อนการขับร้องการประโคมดูมหรสพมีการรําเป็นต้นนะนะไปดูการเล่านิยายการปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงามดูการละเล่นของคนจันทานการเล่นไตราวการเล่นหน้าศพชนช้างชนม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ นะนะหรือว่าไปดูพวกนกรรนะนกระทามันอะไรนะนกกระทำชนกันรํากระบีรํากระบองดูชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพลการจับกระบวนทัพการจัดกองทัพผู้ที่ดูอย่างนี้เรียกว่าไม่สํารวมจักสุกเนี่ยนะก็ปล่อยตาเที่ยวชมดูไปเรื่อยอีกอย่างหนึ่งภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนเป็นผู้สํารวมไม่ดูกองทัพช้างใน น, นิท่าสํารวมมันนะ ถ้าสัมรวมก็คือไม่ดูทัพช้างทับมา้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าพวกเด็กหญิงเด็กชายสตรีบุรุษร้านตลาดประตูบ้านไม่ดูบนดูล่างดูทิศน้อยทิศใหญ่ก็คือเฝ้าสัมรวมตาไม่ให้กลิ้งไปเกลือกมาจนไปบได้บาปอากุศลกลับมานั่นเองอีกอย่างหนึ่งภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สัมรวมจักสูอย่างไรภิกษุในพระธรรมวิไนนี้ไม่เป็นผู้เหลวไหลเพราะจักสุไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้เหลวไหลเพราะจักสู คือไม่มีความคิดว่าเราจะดูรูปที่ไม่เคยดูจะเลยจะผ่านเลยรูปที่เคยดูแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ออกจากอารามนี้ไปยังอารามโน้นไม่ออกจากส่วนนี้ไปยังส่วนโน้นไม่จากบ้านนี้ไปยังบ้านโน้นไม่จากนิคมนี้ไปยังนิคมโน้นไม่จากนครนี้ไปยังนครโน้น ไม่จากรัฐนี้ไปยังรัฐนโน้นไม่จากชนบทนี้ไปยังชนบทโน้นไม่ขวนขวายในการเที่ยวนานไม่ขวนขวายในการเที่ยวไปแบบไม่หยุดเพื่อจะดูรูปอย่างนี้พิสูจชื่อว่าเป็นผู้สำรวมจักสุ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 เป็นผู้สัมรวมจักสุขอย่างนี้พนันดูอย่างไรสมถะเจริญดูอย่างไรแล้ววิปั ส, สนาเจริญนั่นแหละเรียกว่าสัมรวมตาก็ไม่ใช่ให้นั่งหลับตาตลอดเลยเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าปิดตาพานันบางบางลัทธิเขาถือว่าสัมรวมตาคือทํำยังไงก็บอกวก็อย่าดูหลับตาซะบอกว่าถ้าอย่างนั้นคนตาบอด ก, ก็สัมรวมได้มากที่สุดสิเพราะนั้นในที่นี้คําสอนของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างเช่นว่าดูยังไงอากุสลธรรมอลาโมกคือพิชาและโทมนัทไม่ครอบงำอะ่ะ น, นะก็คือดูโดยดูแล้วโลภะไม่เกิดแต่ปัญหาว่ารู้จักโลภะหรือเปล่าแค่นั้นนะ่นะคือดูแล้วอ่ะโลภะไม่เกิดก็คือดูด้วยจิตที่มีสมถะเป็นสมุทฐานเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยให้ดูดูแล้วก็ยังเจริญสมถะต่อไปได้ ดูแล้วยังเจริญวิปัสนาต่อไปได้หรือดูด้วยพิจารณาอารมณ์ด้วยวิปัสนาทั้งหลายเช่นการดูสุภะเป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่งเหมือนท่านสมณะพราหมณ์บางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วไม่ขวนขวายการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลกรรมเห็นตาห น, นี้คือไม่เที่ยวไปดูการขับการฟ้อนการประค ม, มหอศบมีการราเป็นต้นการเล่านิยายเพลงปรบเล่นปลุกผีตีกลองฉาก ภาพบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไตาราวการเล่นหน้าศพชนช้างชนมา้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่แม้กระทั่งนกกระทามันรบกันเนี่ยนะนกกระทำตีกันแล้วก็รํากระบี่กระบองโชคมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพนเป็นต้นภิกษุเป็นผู้งดเว้นจากการขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นข่าศึกแห่งกุศลกรรมเห็นปานนี้ภิกษุเป็นผู้สำรวมจักสุแม้อย่างนี้ ต่อไปบอกว่าเป็นผู้ไม่เหลวไหลเพราะเท้าเราไม่มีเท้าเหล้วไหลอธิบายว่าภิกษุผู้มีเท้าเหลีวไหลเนี่ยหรือเหลวไหลเพราะเท้าเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เหล้วไหลเพราะเท้าประกอบด้วยความเป็นผู้เหล้วไหลเพราะเท้าออกจากอารามนี้ไปยังอารามนู้นนะ จากชนบทนี้ไปยังชนบทนั่นก็เที่ยวไปเรื่อยเที่ยวไปไม่หยุดไม่ย่นเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นคนมีเท้าเหลวไหลก็ไปไม่รู้ไปให้มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ชอบไปอันนี้อีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยความเหลวไหลเพราะเท้าในสังขารามสังขารามคือฟุง้งซ่านมีใจไม่สงบมิใช่เพราะเหตุแห่งประโยชน์มิใช่เพราะเหตุที่ถูกใช้คือไม่ได้หวังประโยชน์อะไรสักอย่างไม่ถูกใครใช้อะไรสักอย่าง จากบริเวณนี้ไปบริเวณโน้นไปหาพวกนะจากวิหารนี้ไปวิหารโ น, น้นจากเพิงนี้ไปยังเพิงโ น, น, น้นจากปราสาทนี้ไปยังปราสาทโ น, น, น้นก็แปลว่าขึ้นลงจากลงจากกุฏินั้นขึ้นกุฏิน้นกุลงจากกุฏิน้ น, น, น, น, น, กก น, น, นไปเรื่อยๆๆยังไงเรียกว่าไปนั่งคุยกับทุกกุฏิเลยนะถ้ามียี่สิบกุฏิก็หมดวันพอดีอยางไงนะใบ่ไหม วันนั้นก็จากเรือนนี้ไปยังเรือนโน้นจากถ้านี้ไปยังถ้าโน้นจากกระท่อมนี้ไปยังกระท่อมโน้นจากเรือนนี้ไปยังเรือนโน้นจากป้อมนี้ไปยังป้อมโน้นจากโรงนี้ไปยังเป้อโรงโน้นจากที่พักแห่งนี้ไปยังที่พักแห่งโน้นที่ไหนที่เขามีคนออกไปหมดอระมางนั้นเถอะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาอะนะโรคเหงาอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะก็หาพักหาพวกหาเพื่อนหาคุยไปเนี่ยนะเชื่อเถอะไม่คุยอะไรก็สารอก เพราะฉะนั้นก็จากต้นไม้นี้ไปต้นไม้โนอนนั่งกันอยู่นนรูปเดียวก็รวมให้เป็นสองรูปเนี่ยนะเรียกว่าเริ่มประชุมพักละก็สมัยก่อนก็ชับพักคีเนี่ยนะชับพักขีเขาเรียก ว, ว่าพักหกเขาบองกงั้นพักมีพวกหก็มีพวกห ก, ก็คือเอาพวกคณาจารย์ใหญ่มาประชุมกันหรูปนะหรูปเพลนี้ก็โอ้เป็นกลมเรียกว่าสร้างความวุ่นวายในพระสมัยนี้ที่ว่าเร็วๆไม่รู้จะสู้ท่านหรูปนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ นระกลุมพระชับผักคีมันกันสิกขาบทในปัจจิตีสังาธิเสศหลายข้อเขาทั้งนั้นแหละ น, น, นะต้นเหตุนเนี่ย น, นะแต่พระ อ, องค์ก็ไม่จับสุกระเรนะก็อยู่แล้วก็สร้างแล้วบัญญัติวินัยไปเรื่อยๆสรรหาธทำใหม่ๆมากมายไปหมดเลยมันพวกนี้ชอบเพอเจอร์เนี่ย น, นะชอบเพอเจอร์หาพรรคหาพวกคุยแล้วก็กลุ่มเนี่ยเข้าเขาวางพวกไว้หลายตำแหน่งด้วยกันเนี่ยนะเขาวางสมัครพรรคพวกเอาไว้หลายที่ด้วยกัน แล้วก็ดูว่าเออที่ไหนอาหารอร่อยที่สุดเนี่ยนก็จะมีการวางพวกพวกไว้ถ้าที่ไหนอาหารอร่อยก็จะมีการชวนกันไปอะไรกันไปเนี่ยนะเอาทุกอย่างเลยแหละในพวกนี้เขาเรียกว่าเหลวไหลเพราะเทา้าหรืออย่างถ้าหากว่าพวกไม่เหลวไหลเพราะเ ท, าท้าทํำยังไงเอาเป็นคนไม่มีเท้าเหลวไหลอย่างเช่นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้านั้นอะ่ะท่านเป็นผู้เวน้นเว้นขาดออกไปสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นผู้เหลวไหลเพราะเทา้า มีจิตอันทรรมให้ไม่มีเขตแดนอยู่ท่านชอบในวิเวกยินดีในความวิเวกประกอบความสงบจิตในภายในเนืองเนืองมีฌานไม่ได้เหินห่างเนี่ยนะคือต้องการทำยังไงที่ใจจะสงบที่สุดเท่าที่จะสงบได้สงบด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะใจที่เป็นสมถะทั้งหลายก็ไม่เหินห่างมีใจประกอบด้วยวิปัสนาเนี่ยนะมีใจประกอบด้วยวิปัสนาพอกพูนสุญญาคารเรือนว่าง แห่งฌานนทั้งลักคนูปณิชฌานและอารามานูปณิชฌานยินดีในฌานมันประกอบในเอกีภาพภาวะแห่งบุคคลผู้เดียวเนี่ยนะหนักอยู่ในประโยชน์ของตนหนักในประโยชน์ของตนประโยชน์ไหนประโยชน์คือสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยแหละเรียกว่าผู้ใดที่มุง่งมุ่งสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะมุ่งที่จะอบรมฌานทั้งหลาย พิจารณาปฏิบัติเพื่อการตรัสรูม้มรรคผลเรียกว่าผู้หนักในประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ตนที่สูงสุดแท้จริงก็คืออรหัตตผลนั่นเองนะอระหัตตผลอันพระอระหันต์ทั้งหลายเป็นผู้หนักในประโยชน์ของตนก็คือถ้ามักจะหลีกเล้นโดยการเข้าพละสมาบัติทั้งหลาย